แถวนี้ผีดุเรื่องเล่าผีบ้านสยองขวัญเรื่องที่จะเล่าให้ฟังนี้เป็นเรื่องของเพื่อนทางเฟซบุ๊กที่ได้เขียนข้อความส่งมาทางแฟนเพจของทีมงานแถวนี้ผีดุเขาเล่าว่าเรื่องที่เขาจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับน้าสาวซึ่งเกิดที่บ้านน้าสาวของเขา ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ16ปีที่แล้วบ้านน้าสาวกับบ้านผมอยู่ห่างกันไม่มากแค่มีคูน้ํากั้นกันเท่านั้นเราจึงมักเดินไปมาหาสู่เป็นประจำมีอะไรก็แบ่งกันกินสําหรับบ้านน้าของผมจะเป็นแบบบ้านไทยแบบโบราณมีอายุเก่าแก่มากเพราะอยู่กันมาหลายรุ่นบ้านก็สลัวสลวครึ้มครึ้มมีต้นไม้ปกคลุมมากมายเพราะน้าไม่ค่อยจะสนใจตัดออกและด้วยความที่ต้นไม้ก็อายุมากจึงต้นใหญ่โตตัดออกได้ลําบาก ส่วนทางเข้าออกก็เป็นทางเส้นเล็กนิดเดียวถ้าเข้าบ้านเขาเหมือนหลุดไปในดินแดนพิสวงมากกว่าจนผมมักตั้งฉายานามบ้านหลังนี้ว่าบ้านสยองขวัญตอนนั้นผมจําได้บ้านนาสาวมีลูกด้วยกันสามคนผู้ชายคนโตและคนกลางส่วนผู้หญิงเป็นคนเล็กเรื่องที่เกิดนี้เป็นเรื่องของลูกชายคนกลางและลูกชายคนโตของน้า น, นั่นเอง ลูกชายคนกลางเกิดมาก็มีบุคลิกแปลกๆไม่ค่อยชอบพูดกับใครตั้งแต่เด็กกว่าจะพูดได้ก็เกือบสี่ขวบเข้าไปแล้วพอโตมาก็ชอบเก็บตัวเงี ย, งยบๆไม่ค่อยสูงสิงหรือพูดกับใครแต่น้องก็เป็นคนดีมากช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านและทำกับข้าวกับปลาทุกอย่างจึงเป็นที่รักของครอบครัวมากแต่แล้ววันหนึ่งเรื่องราวร้ายๆก็เกิดขึ้นวันนั้นผมจาได้น้องชายผมคนนี้ไปโดนไม้เสียบลูกชิ้นต่ำมาที่เท้า ใครจะไปคิดว่าไม้ลูกชิ้นต่ำจะไปมีอะไรมากแค่ล้างๆก็พอน้องผมยังกระโผร ก, กระเพกเดินมาหาซื้อน้ำแดงที่บ้านผมขายดื่มอยู่เลยผมก็ได้แต่บอกว่าให้ดูแลแผลให้ดีและไปฉีดวัคซีนการบาดทะยักบ้างนะแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีใครสนใจคำพูดนี้เลยด้วยซ้ำวันรุ่งขึ้นแผลน้องบวมขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดน้าสาวบอกว่าน้องน่าจะเป็นฝีเลยเอาปูนมาพอกรักษาตามแบบคนโบราณแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่อย่างนั้นแต่ก็ไม่พูดอะไร เพราะจะไปค้านคนโตคงน่าเกลียดและแล้วดึกๆึกคืนนั้นน้าก็ตะโกนข้ามฝั่งคุณน้ามาบอกผมว่าน้องชายผมตายแล้วใจผมแทบตกมาที่ตะตุ่มมันเป็นไปได้อย่างไรเวลามันไวเกินไปหรือเปล่าผมเสียใจมากๆพ่อกับแม่แล้วก็ผมไปที่บ้านน้าอย่างรวดเร็วที่บ้านนะ้าคนเริ่มมากันบ้างแล้วเพราะรู้ข่าวกันก็ตามมาดูแต่ละคนต่างก็วิพากวิจารไปต่างๆนานาถึงสาเหตุการตาย เพราะถ้าเป็นฝีมันจะไม่มีวันตายเร็วแบบนี้เด็ดขาดมีทางเดียวคือไม้นั้นสกปรกและทำให้น้องติดเชื้อบาทยักษ์ประกอบกับ ก, บการไม่รักษาน้องจึงไปไวขนาดนั้นผมมองไปที่ขาน้องบัดนี้กลายเป็นสีเขียวช้ำๆปนม่วงไปเรียบร้อยแล้วเนื้อตัวซีดขาวผมมองน้องขนผมลุกชันขึ้นมาในทันทีไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรคืนนั้นผมต้องนอนที่บ้านน้นนั่นเองเพื่อที่จะอยู่เป็นเพื่อนกัน ถ้ำกลางบรรยากาศที่เศร้าโศกและวังเวงมากเหลือเกินสายตาจ้ากรรมก็ชอบเหลือบไปมองร่างน้องชายที่เสียชีวิตในมุ้งข้างๆตลอดเวลากว่าจะหลับได้ก็ปาเอาไปเกือบเช้างานศพคืนแรกของน้องชายผ่านไปด้วยดีก็มีแต่พี่ชายของน้องซึ่งเป็นน้องชายของผมอีกคนเท่า น, นั้นที่เหมือนจะทําใจไม่ได้เฝ้าแต่เสียใจถึงการจากไปของน้องจนงานศพคืนที่3น้องก็มีอาการแปลกๆหูตาขวาง การแสดงออกก็ดูไม่เป็นตัวของตัวเองเลยน้องไม่กินข้าวกินปลาและพูดจาแปลกๆว่ามีคนจะมาเอาตัวเขาไปอีกคนน้าชายและน้าสาวเครียดมากเพราะอาการเขาแปลกมากได้แต่พูดพร่ำๆร่ำเพ้อเๆไม่รู้เรื่องถึงแม้น้าชายและน้าสาวจะพาเขาไปหาหมอหมอก็บอกว่าไม่พบว่าเป็นอะไรทางสุดท้ายน้าเลยไปตามหมอผีที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในสมัยนั้นให้มาดูอาการเมื่อหมอผีมาถึงก็ถามเลยว่ามึงเป็นใคร แล้วมาอยู่ในร่างนี้ทําไมน้องไม่บอกได้แต่นอนตาขวางไม่ตอบอะไรหมอผีทําพิธีแล้วก็ถามน้าสาวว่าที่นี่เคยเลี้ยงผีอะไรบ้างไหมผีที่เลี้ยงไว้เขามาทําที่สำคัญไม่เคยมีใครดูแลเขาเลยเขาเลยโกรธมากจะมาเอาชีวิตลูกชายของบ้านนี้ไปน้าสาวตอนแรกก็ไม่รู้แต่พอถามพี่ๆน้องๆจึงรู้ว่าเป็นของพี่สาวของตัวเองที่เลี้ยงไว้จึงตอบกับหมอผีไปว่ามีจ้ะ เป็นผีมอดที่พี่สาวนำมาจากไหนไม่รู้พี่สาวเอาไปวางไว้บนสารเล็กๆหลังบ้านและไม่เคยดูแลอีกเลยส่วนพี่สาวก็ไปบวชชีแล้วไม่ศึกแล้วอย่างนี้ฉันต้องทำอย่างไรบ้างละจ๊ะหมอผีให้น้า น, นำอาหารไปให้ผีมอดและบอกว่าจะดูแลและให้ขอขมาเขาและขออ้อนวอนเขาว่าอย่าเอาลูกไปอีกคนเลยนะ้าทำตามทุกอย่างแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหมอผีบอกว่าเขาจะเอาน้องชายผมคนโตนี้ไปให้ได้ ประกอบกับตอนนี้ดวงเขาตกและจิตตกที่สุดแล้วคงต้องรอให้ผ่านสามคืนไปก่อนว่าจะยื้อเอาชีวิตน้องกลับมาได้หรือไม่ตลอดเวลาสวันหมอผีทําพิธีตลอดเพื่อพยายามไล่ผีให้ออกไปจากน้องผมก็ไปดูบ้างไม่ดูบ้างตามภาษาเด็กเพราะไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนจึงเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจนวันที่3มาถึงมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นอีกน้าสาวผมวิ่งไปนั่งอยู่บนศาลทาอย่างไรก็ไม่ยอมลง น้าชายไปตามให้หมอผีมาดูหมอผีทําพิธีอยู่สักครู่น้าก็เดินลงมาและจำไม่ได้เลยว่าทำไมถึงขึ้นไปนั่งบนนั้นได้เรื่องนี้ก็คงมีแต่หมอผีเท่านั้นที่รู้คำตอบนี้เป็นอย่างดีเขาเพียงแต่บอกว่ามันเล่นงานอีกแล้วคืนนั้นเป็นคืนสุดท้ายที่หมอผีบอกว่าจะยื้อเอาชีวิตน้องกลับคืนมาน้องยังคงไม่กินอะไรได้แต่พูดออกมาว่ากูไม่ออกกูจะเอามันกลับไปอยู่ด้วย ผมไปดูกี่ครั้งก็คนลุกสยองทุกครั้งพร้อมกับลุ้นว่าน้องผมจะรอดมีชีวิตกลับมาหรือไม่หมอผีและน้องยื้อกันอยู่อย่างนั้นจนเช้าและปฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นน้องผมฟื้นคืนสติขึ้นมาได้เขางงไปหมดว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนต่างถามว่ารู้ไหมว่าผีเข้าและผีนี้ใช่ผีน้องชายหรือไม่คำตอบจากน้องก็คือไม่รู้เหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่เขาจาได้คือเขาได้ไป น, นั่งอยู่ที่หน้าเมนที่วัด เขาตกใจว่ามาอยู่ได้อย่างไรจึงเดินกลับมาที่บ้านท่ามกลางเสียงหมาหอนมาตลอดทางหมาตัวไหนเห็นน้องก็หอนรับกันมาเป็นทอดๆจนเดินมาถึงบ้านและตื่นขึ้นมาพบเจอทุกคนในที่สุดหมอผีมอบล็เก็ตพ่อปู่ฤาษีไว้ให้น้องชายเก็บไว้คล้องคอติดตัวและกําชับว่าอย่าถอดเป็นอันขาดพร้อมกับกาชับว่าให้ดูแลผีมอนั้นให้ดีอย่าทิ้งขว้างเขาอีกเป็นอันขาดนาสาวระปากพร้อมบ่นว่า ทำไมพี่สาวตัวเองไปรับผีอะไรมาแล้วไม่ดูแลปล่อยให้มาทําร้ายลูกหลานได้อย่างไรซึ่งก็คงพูดได้แค่นั้นจริงๆเพราะเมื่อ น, นํามาแล้วก็ต้องดูแลกันต่อไปผมเองดีใจที่น้องผมมีชีวิตกลับคืนมาไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดแต่มันก็ทําให้ผมสยองขวัญอย่างมากและขยาดไม่ค่อยจะกล้าเข้าไปบ้านน้าสาวเท่าใดนักเพราะไปทีไรก็อดนึกย้อนถึงเหตุการณ์ร้ายๆครั้งนั้นไม่ได้และได้ข้อคิดกลับมาอีกอย่างว่าการที่จะรับสิ่งที่มองไม่เห็นมาเก็บไว้นั้น ถ้าคิดว่าเราจะไม่สามารถดูแลได้ก็อย่านําเข้ามาเด็ดขาดเพราะเขาเป็นวิญญาณที่มองไม่เห็นอาจมีการจับวิญญาณ น, นั้นมาขังไว้หากดูแลเขาดีก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่วันใดที่เราไม่สามารถดูแลได้ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบบ้านนาของผมได้เพราะอย่างน้อยวิญญาณทุกดวงก็คงต้องการเป็นอิสระและไปตามภพภูมิของตนเองไม่ใช่ต้องมาถูกขังแบบนี้มันก็อาจจะทําให้เขาเกิดความแค้นขึ้นมาได้และเหตุการณ์อาจไม่ได้โชคดีแบบนี้ไปทุกคน เพราะเรื่องลี้ลับก็มักจะอยู่คู่กับสังคมของเราไปเรื่อยๆแต่ที่แน่ๆผมคนนึงไม่เอาเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดขึ้นผมจะหันไปพึ่งใครคนสมัยใหม่เขาไม่ค่อยเชื่อถือกันแล้วสำคัญหมอผีคนนั้นก็ตายไปแล้วด้วยสู้อยู่อย่างปกติไม่นำสิ่งใดเข้ามาให้เป็นภาระดีกว่าผมคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วเพื่อนๆเละเคยเจอคนเลี้ยงผีบ้างไหมหากชอบ โปรดกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ